เทศอบรมพระในคืนวันที่24ธันวาคมพศ2569ณวัดป่าบาันตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนโคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับ คนทั่วไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ไม่มีโลกใดเหมือ น, อนประพุทธเจ้า เป็นแบบฉบับของโลกคือเรียกภาษาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่เบิสุดเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภท ที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราพูดจะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้ มองดูหลักพระธรรมวินัยนี่คือทางดำเนินอย่างเอกจะปลีกแวะไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะลอดพ้นจากทุกไปได้แม้แต่ทุกขั้นหยาบๆเมื่อต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลย ผู้ดหูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะถ้าได้ปลีกแยะออกไปในขณะใดขณะนั้นชื่อว่าได้ปลีกแวะออกจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธ รีบวกกลับเข้ามาทันทีได้แก็บปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวขสาต์คธรรมนี่ชื่อว่าพูดตามสเสด็จพระองค์ท่านโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสซื้ด้วยอุบายใน ยอมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกแต่พออย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแงน่ทุกมุมละเอียดและออมากทางด้านพระวิ น, นัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันนี้ ล้วนแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบเรือนไม่มีแงใดที่จะให้เกิดความสงสัยข้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดำเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อข้องใจเช่น การมินธบาตมาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดราในทางธรรมก็ไม่ทรงลดละ ในเรื่องการบินธบาตนี้ถือว่าเป็นประเพณีของนักบุญนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาทก็มีพระอาวาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุวาทสอนไว้พระาวาัทที่สอนไวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้ว เป็นขั้นขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามโพรงคได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตรตรองไปตามหลักพระธรรมวินัย อย่าประพฤติเอาตามความเคยที่เป็นมาแล้วนัก บ, บวชเป็นเพศที่พินิษพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนัก บ, บวชที่ราบหลืมหรือเป็นนัก บ, บวชที่ทรงไวซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเอง และหมูคณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ทรงไห้ซึ่งศาสนาธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดำรงเพศ ที่เรียกว่าศากยาบุตรของพระุพธิเจ้ายจึงชื่อว่าเป็นผู้ดำรงไว้สิ่งประสาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตนการประสบเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ทั้งภายในภายนอก ให้นำมาพิจารณาเพื่อเป็นธรรมะเครื่องแก่จิตใจของตนเสมอไปอย่าหวังเอาความชนะกับบุคคลอย่าเอาความหวังชนะกับเวลาอย่าเอาความหวังชนะในสถานที่นั้นที่นี้แต่ให้เอาความหวังชนะในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตน อยู่ในการสถานที่ใดๆก็าตามเหตุการณ์จะต้องเป็นขึ้นภายในตนเสมอจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะไขครัวเลือกเฟ้นให้เห็นชั ด, ด้วยตนเองโดยเทียบกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อ ง, งยืนยันนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเหตุด้วยผล ไปมาด้วยเหตุด้วยผลการกระทําการพูดการคิดทุกๆประโยคเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศาสนาสมบูรณ์ไปเป็นขั้นขัน การปฏิบัติต่อตอนเองเป็นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมนี่ไหนยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมนี่ไหนทำพูดคิด ให้มีหลักพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ผิดพลาดเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจแต่จะหาประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเทียบเคียงดูว่าถูกหรือผิด เราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางระงับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมนามมากผู้ปฏิบัติต่อตอนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่กล่าวนี้ ได้เป็นลำหนับลงทำตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวอันเป็นที่ไหลามาแห่งความเย็นใจอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นใจถ้าปฏิบัติถูกและเข้มแข็งในเอียบททั้งสี่จะอมียาบทใดเป็นทุกข์ ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเย็นใจซึ่งเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องและเข้มแข็งต่อความถูกของตนพยายามส่งเสริมเสมอเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกประจำขันไม่มีใครจะสามารถดีเว้นได้แต่ขอให้ใจของเราได้เย็นด้วยหลักการปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัย นี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุน n จะไม่สมหวังในสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผู้ยึดหลัก ทำเป็นเครื่องนำเนินสำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหลกถ้าทำให้มีหลักแหลกส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหลหลักแหลกไม่มีกฎเกณฑ์แม้แต่เหตุการณ์จะ มาทาลายเมื่อไรก็จะสลายไปตามเรื่องแห่งความไม่แน่นแน่นอนของเขาส่วนใจของผู้มีธรรมจะเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอมีหลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมทิ่ไหนนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลก ที่เป็นของเอ็นเอียงแปรปวนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอ็งเอียงแปรปรวนจิตไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแต่จะทรงไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจและทรงไว้ซึ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนนำมาเป็นหลักจิตของใจมีปัญญาเป็นผู้พาเดิน มีคือวิธีปฏิบัติต่อตอนเองนั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิยาบททุกสิ่งทุกอิยาบทความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาด คลั้งเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้นความคลั้งเผลอเกิดจากความไม่สังรวมระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังรวมระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมา อย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อหลักพระธรรมใ น, นเพื่อความปดเปื้องทุ ก, ท, กทุกขั้นของทุกหรือทุกทุกประเภทของทุกให้สิ้นไปจากใจซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่หลับนอนของทุก การสังรวมระวังตนไม่เพียงแต่การสังรวมระวังภายนอกแต่เรื่องการสังรวมระวังภายในคือการแสดงออกของจิตที่จะไปเกี่ยวกับอารมณ์อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมัน น, นี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามา ถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลาดับและจะเป็นผู้มีความสามารถขึ้นเป็นชั้นๆเนื่องจากความสังรวมระวังเป็นมูลฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสามารถเกิดขึ้น เนื้อหลักการแก้ไขทุกแก้ไขความผิดโปรดแก้ไขด้วยความระวังความระวังจนเป็นนิสัยความสามารถอาจเอื้อมต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณแก่ตนเองนั้นจะเป็นเงาตามตัวตลอดสายไม่ได้คิดว่าจะไม่สามารถ ความสังรวมระวังเป็นนิสัยของผู้นั้นแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัยสังรวมระวังเป็นประจำนั่นคือคนมีสติมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมาสังรวมระวั ง, งการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้าง กับความสังรวมระวังความขยันหมั่นเพียรเพียนระมัดรอวงเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างๆมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้น แล้วเอานำเอาอ น, นั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในจิตใจจึงกลายเป็นภาพเรื่องนั่นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องอ น, นั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นค่าศึกแก่ตนเองแท้จริงก็คือจิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาพิษเทารน ต, น, ตนเองด้วยความไม่สังรวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสาคัญ ฉะนั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยชน์อันใหญ่มากภายนอกถ้ามีความสังรวมภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตนเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้จะตีความหมายไปทางรักหรือทางชังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้ แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าจิตได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหากเป็นเรื่องของจิตตนเองไปรับสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยแล้วไปปรุงแต่งหรือตีความหมายในสิ่งนั้นให้เป็นต่างๆคือให้เป็นที่น่ารักน่าชังน่ากลัวน่ากเกลียดมาก ทีกาทั้งนี้เกิดจากความไม่สังรวมระวังถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็าตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปดเปื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระวังนี้แหละ โปรดให้พากันถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติยาได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระวังนี้และอย่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดไม้ปลายถะที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากคำว่าสังรวมนี้ไปได้เลย นี่และพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์ไม่ปล่อยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ปล่อยไปตามเรื่องของอดีตที่เคยเป็นมาแม้จะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองมีอมนาจมาสนามา ม, มากเพียงไรมีความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายแค่ไหนพระองค์ สังรวมระหว่างไม่ให้กิตไปวาดภาพกับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข่าศึกทำให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกำจัดปัดเ่าสิ่งเหล่านี้ออกื้อความสังรวมระหว่าง และมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสสรุ้ไม่มีทางสายใดที่จะแยกจากความสังรวมระวังนี้ไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นผุกไม่มีพระสาวกของพระองค์ท่านก็ดำเนินแบบเดียวกันนี้ พวกเราจะดำเนินแบบไหนถ้าไม่ดำเนินแบบนี้แล้วจะไม่มีทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์และตามสิทธิ์ประทธเจาให้ทันและจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากได้ปล่อยธรรมคือความสังรวมนี้ออกจากใจของตนเอง ความประพฤติก็จะเฟ่คำพูดก็จะเหลียวไหลใจที่คิดไม่มีสถานฟุ้งเฟอ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระวังเป็นผู้กากับรักษาฉะนั้นความสังรวมระหวังนี้จึงเป็นรากเง่าอันสำคัญ สำหรับนักบวชผู้เป็นเพศที่งามและโลกได้กราบไหวบูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นความชอบธรรมแก่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียหน่าย อย่าปล่อยตัวถ้าอยากเป็นพระที่สังรวมระหว่างตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจการปล่อยใจนี่แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามกันอีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั้นเลย มีเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลนละถึงเรื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลำบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่งให้เดินไปจุดนั่นแหละยากหรือลำบากยาได้ปีกแวะไปถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสำเร็จจะต้อง มาถึงเงื้อมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดลัรทมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะอยากเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนไปทำประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่จเจริญรุ่งเรือ ง, งขึ้นมาได้เลยไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติเลยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับทำฉุดากให้จมลงเสมอ คือความท้อถอยอ่อนแอนมาบังคับจิตใจให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางใหนขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจน สติปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องนู้นทุกจะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่ความกลัวทุกข์กลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกข์ให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวนี้ว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอ แล้วความกลัวตายจงตามดูความกลัวตายลงไปให้เห็นชัดตามหนักความจริงของความตายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตายแนี่นี่ชื่อว่าเป็นผู้ค้นคว้าหาเหตุแห่งมูลความจริงของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แต่เรายังไม่ทราบฉะนั้นการค้นคว้านี้จึงเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ ที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าต้องตามเสด็จไปตั้งแต่การคน้นหามูลความจริงสิ่งในสิ่งที่กล่าวมานี้ความกลัวตายนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทยัยการค้นดูสาเหตุหรือมูลฐานแห่งทำที่กล่าวมานันนั่นท่านเรียกว่าม คือสติปัญญาถ้าหากใช้ความพยายามอยู่เสมอโดยไม่เอาความตายมาไว้บนทิษาแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องความกลัวตายหรือทั้งเรื่องความกลัวทุกข์เราจะเห็นความจริงทั้งสภาพที่ไม่กลัวตาย ด้วยอำนาจของมักคือการพ้นขวา้านี่แหละสัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกวา่าความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไปทุกทั่วดินแดน ไม่มีใครสามารถอานเลื่อมว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอเสมอกับสภาวะ ท, วทั่วไปในแหล่งแห่งโลกฐานเพราะฉะนั้นพวกเราทั้ ง, ท, ง, ท, งที่กลัวจึงหาทางออกไม่ได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบทำการสอบสวง หาความบุบพ้นจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าไปถึงแค่ฌานของทุกยังไม่ถึงตัวทุกเลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริบาลของความตายก็คือความทุกขและก้าวไปเพียงเพียงฌานชลาอะ ของความทุกเท่านั้นเราก็ถอยหลังกลับแล้วไหนเราจะไปเห็นทุกข์อันเป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังอริยสัจจังได้และสมุทัยอริยสัจจังถ้าหากเราพยายามประคับประคองจิตใจให้เดินตามสายขั้งความจริงที่ องท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศว่านี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เล ย, เลยจะต้องรู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตาย และจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกฐา น, นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอะไรถ้ามันเป็นความจริงแต่และอย่า ง, างและจิตจะไปกังวลกับอะไรล่ะเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดยาให้เหลือหลอกันได้ มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกจะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางน้านทางภายใน จ, ใจิตใจตามดูให้เห็นชัดนะด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนงุสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือพาทางาน หรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแกลกลาสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกทั้งสมุทยัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้นิโรธคือความดับสนิทจะเริ่มรู้ตั้งแต่ความเริ่มดับ แห่งสมุทัยเป็นลำดับหรือความดับทุกข์ที่มีสมุทัยเป็นสาเหตุเป็นลำดับลาดับไปจนถึงดับขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับไม่เหลือนี่โลทะคือดับทุกข์เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของปัญญานิโลทะจะแสดงตัวออกมาตลอดสาย าอำนาจของมักเป็นผู้ทำงานผลิตผลออกมาเลยเลยผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกเข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแทงมักที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นัะการรู้แจ้ง สัจธรรมทั้งสีน่นี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้สถิตยอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้พญายนจะหาความพ้นทุกนอกไปจากทุกจากสมุทัยที่กำลังเป็นฆาสึก ก, กันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอำนาจของมักคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้า ชาจะทำทั้งสี่นี้จะไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุก์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชือ้อด้วยอำนาจของมรรคที่มีกำลังเป็นลาดับๆจนเต็มกำลังของตนเรื่องนี้โลทะก็จะเห็นความหนับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอันใเลย ทำทั้งสี่นี้เมื่อได้ถูกปัทาทที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแนวจะกลายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่ง มรก็เป็นความจริงอันนิโรธก็เป็นความจริงอันด้วยใจจริงที่นีไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมพระโพธิจัก้นั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้นโดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตาม แต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งถ้าจะพูดลื้อเรื่องไปนิพานใครจะเอาสัจจะทั้งสีนี้ไปนิพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกต้องเป็นทุกจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ สมูทายก็เป็นสมูทายจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกแล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มากก็เป็นเครื่องแก้แก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทำงานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้น่ธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสีนี้คืออะไรนั่นเลย เพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจจะธรรมทั้งสี่ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่และอย่างะอย่างแ ล, งแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในถ้มกลางแห่งสัจจะทั้งสีนี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสีนี่พอเวลานี้สัจจะทั้งสีนี้อยู่ที่ไหน เราจะไปหาแห่งผลตํำบนใดมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้งสีนี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความมอิสุดอย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่นี่แหละมัชปฏิมัคคปฏิปท า, า, าําเนินเข้ามาจุดนี้ เรากลัวตายเวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลําบากบ้างเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพี่นายดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องความกลัวตายให้เข้าถึงหลักฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรนี่ ตามการตามรูม้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไระถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทยัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สนิทภายในจิตใจเมื <ME> ่อ <TER S. S 1> สัสสจจะทั้งสีนี้ได้ทำงานได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วความวยสุดจะพามาจากไหนนั่นคือความหายุ่ง ยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสี่นี่ะโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องฆ่าศึกต่อกันเสมอเพราะางได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสีนี้แล้วก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จำเป็นเพราะพระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิบัติที่โป่งท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้ สอนลงสู่จุดนี้ก็สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเวลานี้น่นอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจดหรือเพื่อพระนิพพานจะ ก, ก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจธรรมทั้งสีน่นี้ให้เห็นเป็นความจริงอย่างพร้อมมูลตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงสําหรับผู้ปฏิบตัติเพื่อความพ้นทุกอย่างแท้จริง ถ้าแยกออกจากสาจัจจะหรือเห็นสจัจจะทั้งสีนี้ว่าเป็นค่าศึกต่อตอแนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่นักเพราะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนยันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าสัดสจัจจะทั้งสีคือทุกขังเรียกจังหรือเรียกว่าอริยา ส, าสัจสี่นี่คือหลักรากฐานของศาสนา เป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปเพราะของจริงเหล่านี้ขอให้พิจารณาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทยัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธ เอาพิจารณาลงให้ให้เห็นไม่ต้องไปให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนาธรรมสอนไวท้ทุกๆบททุกบทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติเราโดยกันและคำว่าสันทิธิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี่แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราเอาพิจารณาขันให้ถึงถ้าจะทั้งศีเป็นอะไร ความบาสุดนั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดพระผู้หลงสัจจะทั้งสี่นี้ก็คือเราเสีเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจําเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาตอบแทนเรามารู้แทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวเสียเองเราต้องเป็นคนรับทาน ให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอริเรธอร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ําทําลานด้วยธาตุด้วยการรับทานของอิมันทำลานในธาตุด้วยการรับทานของเร า, เาทุกเราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะคําว่าทุกข์ก็ไม่เป็นค่าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นค่าศึกต่อตัวเสเองเหมือนอย่างไฟนี่ เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือเออนอร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสําคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อน่ะผู้ที่เขาไปสัมผัสกับทุกนี่สิคือไข่กลัวทุกแต่ไปเกี่ยวพันกับทุกอยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายววายว่าทุกว่าทุกแต่หาทางออกมาได้ยิ่งสังสมพัวพันทุกตลอดเวลานี่จะว่าไง เราเป็นนักสังเกตและปฏิบัติไม่ใช่นักพูดพลาดไม่ใช่คนจักจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทำแบบสุ่มเดาสงสัยอะไรให้ถามครูถามอาจารย์ถามมูเพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดา ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทําของตนที่กําลังกระทําไปเสมอเสมออย่ า, ยาทาแบบขอไปทีเพราะศาสนาคือคําสอนของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายเหตุก็ดีไฟผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ ประกาศตนว่าถือศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่โกงตามหลักความจริงของศาสนาเพราะนั้นไหนเราจะมาขอไปถีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตรตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผล ภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยคให้สังเกตสอดรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้อนเห็นทางผิดทางถูก ข, ของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดพราศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับตาไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบฉับ เป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิประสาทออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเานั้นจะกลายเป็นธรรมะโง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบ กับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกศิทธกัณซึ่งประสิทธิประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาดเรื่องของจิตทานในรู้รอบตัวอย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแน่จะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหยิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปแล้วคือรู้รอบสัจจานั่นเองอรู้รอบสัจจทั้งสี่รู้รอบตนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจทั้งสี นั่นแหละทีว่าหมดข้าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วเรื่องอดีตจะคือความเป็นมาของกิจเคยเป็นมากี่พบกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แหลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายอนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แหลจะเป็นผู้ก้าวไป แต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดปัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื่อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความมืดสุดเป็นปัจจุบันธรรมล้นล้นนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุ ที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งที่เคยปิดบังลี้ลนะับเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินั้นันขอทุกท่านจงนำไปทินิทพิจนาทำความเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไป ทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้กระจะได้รับความย่อมเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงข อ, อยุติธรรมเทศนาเพียงทางนี้